ซึ่งกันและกันบางทีได้ทําผิดกันมาแก่พระกอนก็ดีพระจุบันก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็าดีเพราะไม่สามารถจะรู้ขณะจิดของตนได้ข้าว่าเถระเถระประมาดีนะขอทำวัดต่อพระเถระทงงั้งหลายพระเถระชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั้นที่สองพระพระเจดชั้นที่สาม พระหันถตาขีนายศนักท่องเพศหญิงนักเพศชายด้วยพระเทรรต่อไปเอกคือพระอนาคาเมยพระเทรรต่อไปเอกคือพระจักรทาคาเมยพระเทรรต่อไปอีกคือพระโสดาบันพระเทเรทั้งหลายเหล่านี้ละ่ะพวกเราจะทาผิดท่านด้วยกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสาม อันใดอันหนึ่งมาแต่พระกฎ่อนก็ดีในปัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในครังหน้าก็ดีขอให้พระเถระทั้งหลายเหล่านี้ยงทรงอธิโทให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อ ม, มีประมาณพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกใจชอบทุกทันหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเกินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาใ น, ท, าใ น, าในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีที่เป็นเพศสมณะก็ดีที่เป็นเพศฆราวาสก็ดี ที่เป็นศัตติรักษานก็ดีที่เป็นเทวบุตรเทวราพรยินพระกมรมพยอมพระการยโสโลกกามนี่คือหรือทั่วท่านใจโลกกระแก็ดีถ้าต่างฝ่ายต่างในทำผิดกันด้วยกายกับรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสาอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกตระหน้าทอดทางตจโลกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกตระหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลสุดใช้พวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบรมอรรพุทธศาสนา ข, ของพระเาสมัยของพระุทเจ้า ยิ่ ง, งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเธินทีนี้ยักษ์ชาปังกระตังกามังกุเรนะเป็นาติส่มังโลกังมาพาเตีภูมโตยกันติมาอนิวาธนาสินิสานิจังมุทาริจายโนโจตารธรมาวัันติอายุวนโนสุ ข, ขงังอะอ่ะนี่ยละทีนี้ี่ละเท้ขาของพอระพเกต ในชี้ขาของพระสมานพระพุทธเจ้าจะเอาไปเทียเสมอกันไม่ได้เพราะมีปัญญาสัะยุตต่างกันตํำกว่านั้นลงมาเป็นโลคีทำแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ทรงไว้ซึ่งโลกีก็เรียกว่าโลกียะธรรมทรงไว้ซึ่งโลกุตระก็เรียกว่าโลกุตระธรรมโลกียธรรมต่ำกว่าสุปฏิปนโนลงมาเป็นโลกียะธรรม และเป็นโลกียาสีนโลกียาสมาธิโลกีญาปัญญาทำแต่ละบัดละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดนะโมตัวเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานหมดนะโมพระโสราวันนะโมพระสกทาคามีนะโมพระอน า, าคามีนะโมพระอาหารหันต์นะโมพร ะ, ระันะมระัมมสสาพุธเทธเจ้า จะเอามาเทียบกันไม่ได้นโมแปลว่าความนอบน้อมก็จริงแต่ว่านอบน้อมต่างกันตามฐานานุโลกผู้มีกิเลสมากก็นอมเข้ามาสู่ตัวมากผู้มีเกสน้อยก็นอบ ม, มาน้อยผู้ไม่มีกิเลสเลยก็เป็นนโมพระ น, นิพพานนโมจะไปจบกันอยู่ที่พระนิพพานนอบนอมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายคือนโมพระรหันพระหันสี่จําพวกสัมมาสัมพุทธพระรหัน์ ปจเจพุทะปะะอาหารหันสาวกสาวิกาอาหารหันเรียกว่าเรี ย, งงร ย, รยนนาโมจบเรียกว่าเรียนพุทธังจบธรรมังจบสังฆังจบเรียกว่าเรียนไตรชนนาคมจบคมจนไม่มาเกิดแก่เจ็บตายไตรชนนาคมเรื่องต้นขอคือของพระโสดาบันคมจนไม่หลงทางเดินคือมีศีลห้าบริบูรณ์ ไม่ถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากล่วงและเมิดศีลห้าและไม่เสียดายอยากล่วงอบายยมุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามีไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษ การค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในเจตนาของพระสุปฏิปันโนเลยเมื่อถึงสุปฏิปันโนแล้วอุชุยยะสามีจิก็ค่อยเปิดประตูไปเองไม่ต้องสงสัยเลยจะเดินช้าหรือเร็วก็ไม่ละซ้ายละขวาและไม่ถอยหลังด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นโลกีนะโมโลกก็คือนโมเลกนะโมผานะโมบัตนะโมเบอ พุทโธ โ, โลคีก็พุโทโธเลขพุโทโธขาพุโทโธบัตรพุโทโธเบอร์พุโทโธกามารมสารพัดวัฏเพียงก็เป็นโลกีก็น้อมไปทางโลกีทาแต่ละวัดระบาดจิตผู้ใดอยู่ในโลกีก็น้อมไปโลกีจิตผู้ใดอยู่ในโลกุตระก็น้อมไปถึงโลกุตระตามชั้นวันละของแต่ละท่านแต่ละคนไม่อยู่เสมอกันเหตุนั้นพันแต่ละวัดระบาดส่งต่อพระนพานหมด พุทโธพระสสดาบันเป็นพุทโธที่ไม่สงสัยพุทโธสักทาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นพุทโธพระอนาคามีแปลว่าทรงไม่ซึ่งแปลว่าผู้รู้ไม่มีโรคไม่มีโกรธพุทโธธรรโมทรงไม่ซึ่งไม่มีโรคไม่มีโกรธสังโฆก็ไม่มีโรคไม่มีโกรธปฏิบัติเพื่อไม่มีโรคไม่มีโกรธส่วนหลงของท่านก็ละกันไปในตัว โรคโกรธหลงของพระโสดาบันเบาไปแล้วไม่ถึงกับเป็นสัตว์ที่ตายไปเป็นสัตว์ที่ฉาเนื้อเป็ดอสุรก า, ายหรือสัตว์นรกใดๆทั้งสิ้นนี่เรียกว่าโรคโกรธหลงในชั้นหยาบๆนั้นท่านพ้นไปแล้วพระสกทาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นพระอนาคามีโรคโกรธหลงก็เบาไปมากแต่ยังเหลือโรคอยู่ ส่วนโกรธก็หลงหายไปหมดแล้วส่วนพระ อ, อ, อ, อหรหันนั่หมดไปแล้วโราโกรธหลงเรียกว่าเรียนนมโมจบเรียกว่าเรียนไตรสนธคมจบเรียกว่าฟังเทศจบเรียกว่ารู้จักปัจจุบันอดีตอนาคตจบแล้วเพราะท่านไม่ติดข้องอยู่ในที่ใดใดทั้งสิน้นรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ใจรู้ธรรมแล้วท่านก็พ้นไปหมดแล้วพ้นจากทะเลหลงของตนไปแล้วข้ามทะเลหลงของตนไปแล้วเรียกว่านอบน้อมจนมากเกิดไม่มาเกิดแก่เก็บตาย บาลก็พฤ่งพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัดกลาสงสารปัญหาก็ไม่มากถ้าหวังเพื่อลาบยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรปัญหามันก็มากทําไมจึงปัญหามากเพราะบาลังมียังอ่อนอยู่ก็จําเป็นจําไปทําไมจึงปัญหาไหมมากเพราะบาลมีแก่กล้ามาแล้วทํานเหล่านั้นก็ปัญหาไหมมาก ผู้เกตตนาพ้านทุกข์ในวัฏสงสูตรสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติก็มียิ่งย o อนกว่ากันตามชั้นวั น, นะของท่านบางท่านก็อนาคตการนั้นเถิดอนาคตการนั้นเถิดเพราะเหตุใดก็เพราะบารมียังอ่อนอยู่ก็จําเป็นต้องอยู่ตามฐานานุรูปของตนเป็นสัมพิธิโกเห็นเองอยู่ในชั้นนั้นสัมพิธิโกในทาง พระพุทธศาสนาหมายเอาถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงเป็นกฎเกณฑ์ได้จะต่ากว่านั้นลงมาเป็นสันติติโ ก, โกเอาเป็นประมาณไม่ได้ทําไมจึงมีโลกีและโลกุตระมาผนเปนกันก็เพราะเอาคําสอนของศาสดาอื่นมาผนไปนคําสอนสาศาสนาพุทธก็กลายเป็นโลกีและโลกุตระไอ้ที่แท้นั้น คำสอนของพระพุทธศาสนานับแต่พรหมจันทร์เรื่องต้นคือสุภะใจปโนโอุชโยยยะสามีติเท่านั้นเป็นสาวกของท่านเอสาวกะวาวโตสาวกส้างโคลนี่เนอสาวกของพระภูมิพระภาคเก้านี่เนอพรหมจันทร์เรื่องต้นของพระพุทธศาสนาต่ำกว่านั้นลงมาท่านยังไม่ยืนยันเลยพระเป็นงดไต่ขอบกระดง้งไม่เป็นเดินผ่าศูนย์กลางลัด ความหลงของตนเดินวนเวียนตามความหลงของตนเพราะยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กาบเท่าเข้าสู่พระเนรพลไม่มีอันใดอื่นมาชิงตำแหน่งเพื่อจะให้นับถือแผ่นดินสองแสนสี่มืยอดลูก ร, ระเบิดปรมาณูเขาทำลายแต่ จิตใจของผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ยอมแตกกระเจิงเลยนั่นเรียกว่าอาจารสักขาอาจาราสุปติดเทียตาตั้งมาแล้วศีลัจะยักษสกัญญาดังเป็นศีลเบื้องต้นคือศีลห้าอริยกันตังประสังศีตังคืออริยกันตศีลคือศีลห้านักแต่ศีลห้าเป็นต้นไปไม่เสียดายอย่างร้องละเมิดถ้าไม่เสียดายอยากร้องละเมิดมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนัก สิ่งไหนที่มันเสียดายอยากร่องระเบิดมันก็หนักใจทําไมจึงหนักใจทําไมจึงเสียดายอยากล่องระเบิดเพราะเห็นว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างเช่นอวัยวะฒิก็ไม่เสียดายอยากล่องระเบิดเพราะเห็นว่าเป็นทางชิ้นหายดิ่งหน้าดีไม่มีสารอุทธรเลยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าละสักกยคิดทินวิกิคิดฉาสีและปัจจาระมาตแล้วแม่ลูกคำเลยเห็นดิ่งแล้วชั้นยำหยาบนี่ เห็นความชิบหายว่าเป็นความชิบหายตามเป็นจริงนียกว่าสัมมาทิฏิสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันเราดีดดนี่เองสัมมาทิฏิหนักไปกว่านั่นก็พัสกธาคารีละเอียดไปกว่านั่นอนาคามีสัมมาทิฏฐิของพระอาหารหันต์เป็นสัมมาทิฏิเห็นชอบแล้วเห็นว่าเราไม่มาเกดแก่จกบตายอีกเลย เป็นสัมมาญาณนะสัมม า, าวิมุติเต็มภูมิเลยเรียกว่ามหาสัมมาทิฏฐิเต็มภูมิมันก็มีหลายชัน้นตามชั้นวันละของท่านแต่ละคนแต่ละคนแม้ท่านก็พูดง่ายๆว่าพุทโธพุทโธไปว่าผู้รู้ธําโมโวก็สรงไร้ซึ่งผูร้รู้สังโฆก็ปฏิบัติผูร้รู้แต่ไม่อธิบายผูพ้พูดเทพหรือผู้พูดอยู่เดียวนี่ก็ไม่ชนิด พุทโธไปผู้รู้มีต่างกันผู้รู้พระสวัสดิบาลผู้รู้ชกชาคามีพผู้รูพระอนาคามีผู้รูพราหันผู้รู้พระปฏิเจตผูู้้รู้สัมผัสมาธิพระพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันมันก็ไม่ได้อีกงานต่างเขก็ต่างอ้างไหวใจแต่ใจผู้มีกิเลสมันก็มีจะว่ายังไงน่นต่างคนก็ต่างอ้างปัจจุบันเหมือนกันปัจจุบันพระสดิบาลปัจจุบันสกชาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพราหันปัจจุบันพระปฏิเจตปัจจุบันพระสมาธิพระพุทธเจ้า ก็มียิ่งย้อนกว่ากันเป็นลำดับของฐานานุโลกของปัญญาสัมปยุตของกิเลสหรือไม่มีกิเลสน่ประชาธิทปไตยของพระทหารไม่มีกิเลสประชาธิปไตยของพระอนาคามียังมีกิเลสอยู่ว่าประชาธิทปไตยของพระสะวัสดิวัลเป็นประชาธิทีตประทายโลภตระ คือเป็นธรรมมาที่ปไตยอีกใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิที่ปไตยเป็นธรรมมาที่ปไตยเบื้องต้นของพุทธศาสนาอา้าถ้าประชาชนชาวโลกเขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญอย่างนี้จะไปด้วยไหมไม่ไปด้วยข่าวใดประชาชนมีเกรียดมากความเห็นทั้งหลายก็ไปตามประชาชน พระพุทธศาสนาบัญญัติอะไรบัญญัติไม่มีเกลเล็ตบัญญัติเป็นอันเดียวกันไม่ได้ลบล่างพรบกันเลยจะมาก้านพระองค์ก็ไม่ลบล่างพรบกันไม่ลบร่างพระราช บ, บัญญัติกันเพราะบอริบูล้วเป็นธรรมมาธิปไตยพระพุทธศาสานาเป็นธรรมมาธิปไตประชาธิปไตยก็ดีราชาธิปไตยก็ดีโลกาธิปไตยก็ดีเป็นเมืองขึ้นของธรรมมาธิปไตย อยู่ในตัวเงินน้ำห้วยหนองคลองบงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทเโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผูร้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อเป็นอริยสัจจะทำจริงตายตัวอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนและก็ไม่ลงธรรมาะไม่มีเอวังรว้เทียบในทางสูงเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมไม่เป็นกิเลสเลยเรียกว่าอริยสัจธรรมจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหามีอยู่จริงอยู่ไม่ลงธรร ม, มาะเรียกว่าอริยสัจธรรม เหตุนั้นจึงยอมเคารพนับถือพระพุทธศาสนาะคำสอนพระพุทธศาสนาะสอนสองข้อเรื่องต้นํำเป็นโล ก, กบายคุ้มครองโลกสองอย่างเท่านั้นคือที่ความละอายต่อบาปโอตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปถ้าํำสองประการนี้ไม่มีอยู่ในหัวใจมนุษย์แล้วหรือสัตว์เทวดามันพรมแล้ว กฎหมายกดหมูกดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่อูของทาไม่นําคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับทำสอนพระศาสนาตายตัวเลยพระพุทธเจ้าพระจะมากีลราบพระองค์มาลงเอวยกันไม่ได้บรบล้างพรบกันเลยไม่ได้มากไม่ได้น้อยไม่ได้ว น, นแล้วเหตุนั้นพวกเราจึงกลา่าวว่า สักขังสัพยพญฉะนางเกวระปริบุังปริสุทธังพมัณิยังปะกาเสยสิวรีบุญแล้วทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องกลางทั้งเบื้องท้ายเบื้องต้นคืออะไรคือศีลเบื้องกลางคือสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาเบื้องต้นคืออะไรคือพระโสดาบันถ้าเป็นเทียบเทียบเป็นปุทธาธิฐานเบื้องกลางสักขาคามียนาคามีเบื้องท้ายคือพระหันถ้าเทียบเป็นตัวตรคิขาเบื้องต้นก็คือไตรคิขา อธิสินสิกขาสิกขาคือศินยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งปัญญายิ่งในพระสดาบวันศินยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งในพระสวดารยิ่งในสักขาคามียิ่งในอนาคามียิ่งในพระรหันยิ่งในพระพุเตียยิ่งในพระพุทธเจ้าก็มีฐานานรูปต่างกันอีกดังที่ว่ามาเรี้นั้นอืมจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้คำว่าคนก็แบ่งออกเป็นสองโลเกียคนโลกุตธละคน คำวธรรมก็แบ่งออกเป็นสองโลกียธรรมโลกุตรธรรมคำว่าธาตุก็แบ่งออกเป็นสองโลกียธาตุโลกุตรธาตุคำว่าขันก็แบ่งออกเป็นสองเรียกโลกียขันโลกุตระขันโลกิยขันคืออะไรก็คือปัจโสดาคือต่ำกว่าปัโสดาบันลงมาโลกุตรขันกว่านับแต่ปัจโสดาบันขึ้นไปนะมันจริงไม่หลงบัรยักษถ้าอย่างนั้นมันจะหลงบัรยัก ถ้าหลงบัญญัติหลงสมมติก็หลงไ ม, ม่เหมือนกันถ้ารู้สมมติตอนไหนก็รู้วิมุตติตอนนั้นคำสอนของพระพุทธศาสนาทำไมจึงมากมนักก็เพราะสอนอยู่ 4, 5, สี่สิบห้าภาษา สอนท่านเพื่อนั้นด้วยวิธีนั้นอุบายนั้นสอนท่านเพื่อนี้ด้วยวิธีนี้ด้วยอุบายนี้เด็กเอามารวมไว้ไอ้ที่แทก้ก็คือตรีที่ขาฉีนสมาธิปัญญาอันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าโบหานต่างกันเท่านั้นไอ้ที่แทก้ก็ความประสงค์อันเดียวกันความประสงค์ เพืให้บริบูรณ์ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรภพสมบัตินิพานสมบัตินั่นเองคําสอนของพระพุทธศาสนาบริบูรณ์ในมนุษย์สมบัติเต็มภูมิบริบูรณ์ในสวรรค์สมบัติเต็มภูมิบริบูรณ์ในภพสมบัติเต็มภูมิบริบูรณ์ในนิพานสมบัติเต็มภูมิแล้วข้าล่วงละเมิดมนุษย์ด้วยบัตรก็สวรรค์ด้วยบัตรเหมือนกันอาไปยังทุกประเทศทุกประเทศเป็นมนุษย์วยบัตร <atures> เมื่อเป็นมนุษย์วิบัติแล้วก็สวรรค์วิบัตแิตตแล้วก็พรหมวิบัติแล้วก็พระนิพพานนิบัติอยู่ในตัวถ้าเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์สมบัติก็พรหมสมบัติก็นิพพานสมบัติไปในตัวเพราะเป็นทางสายเดียวกันภาวนาอันไหนดีหมดขอแต่ภาวนาขอแต่ยึดถึงยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นร่างต้นของเจ็ดใจ ขอขอบกายถวายชีวิตต่อ <oder> พุทธประคำผสงอยู่ทุกวันไม่มีประมาณเ พ, พื่อบรรลุในวาระสงสารโดยด่วนอยู่ทุกวันท่านเถิดปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนธรรมก็คือปัจจุบั น, นชาตินั่นเองผูกบาลามีแก่ข้ามาแล้วกรหวังเพื่อทุกลุใน How? ปัจจุบันนกจิตปัจจุบันธรรมเลยปัจจุบันกจิตปัจจุบันธรรมนั่นเองเป็นเป็นเป็นปัจจุบันชาติของท่านผู้ที่สร้างบาลามีแก่ข้ามาแล้วผู้ที่จะถึงพโสดดาบันสัทาคาเมนาคาเม ก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นหาได้จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตใดๆเลยเพราะอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงอดีตดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วอนาคตดีก็ยังไม่ทันดีชั่วก็ยังไม่ทันชั่วเพราะยังไม่มาถึงอดีตก็ล่วงไปแล้ว มีแต่บัญชีอนาคตก็จะมีแต่บัญชียังจะมาถึงปัจจุบันมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินด้วยมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยเหตุนั้นพ ร, ราะว่าเรามศาสดาจึงบัญญัติลงในปัจจุบันปัจจบันนานจะโยธรรมนั ง, งผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนแง่งคลอนแคลนเลยจะพ้นจากเจตเดชชั้นพระสวัส ด, ด, าบาดิบันก็จิตปัจจุบันสัพธาคามีนาคามี อ, ม อ, มอาหารหันต์ก็เหมือนกันไม่ใช่อดีตอนาคต อ๋อกรรมฐานที่เราตั้งไว้สมมุติว่าลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือสมมุติว่าพุโทโธก็ดีฉันทะต่อใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพี้ยนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฝักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีวัตถุบูรณาแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งม่ีแล้ววิสัย นี้พระคือทำเป็นกำลังห้าอย่างศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานเทตั้งไว้วิริยะเพี้ยนวันประกอบในกรรมฐานเทตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานเทตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานเทตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานเทตั้งไว้คือทำเป็นกําลังห้าอย่างเรียกว่าพระธรรม ศีลมีตัวเดียวศีลห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศีลตัวเดียวเป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ในปัจจุบันใจิตปัจจุบันธรรมศีลแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปเกลียวอยู่ที่จิตใจในปัจจุบันใจิตปัจจุบันธรรมศีลสองรอยี่สเจ็ดก็เหมือนกันถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นสองรอยยี่สิเจ็ดเกลียวมาอยู่ในปัจจุบันไตรศิกขาก็มารวมในปัจจุบันเหมือนกัน ไต้ซิขาคือศีลสมาธิปัญญามรแปดก็คือไต้ซิขาเราดีๆนี่เองสมาธิสัมมาสังกปเป็นไต้ซิขาเป็นปัญญาซิขาสมาวาจาสมากัมมันโตไอซีโอเป็นศีลซิขาสมาสติแล้วสมาสมาธิสมาวายาโมสมาสติสมาสมาวายาโมพยามชอบปรจัดเข้าในศีลซิขาเหมือนกัน สมาสิสมาธิตั้งใจไว้ครอบจัดเขา้าในจิตตากสิขาก็ใกลสิขาเราดีนี่เองทีนี้ทำต่ละวัดระบาดส่งต่อพระเนพานหมดทำไมประทมมัโพธิการจึงไม่มีปาราชิกสีสังคาที่สี่สิบสามอนิยตสองนิตะคีปายตีสามสิบปายตีก็สิบสองวติเทศนียสีเสชีวัฏเจ็ดสิบห้าอาทิตยะระสมถะเจ็ด ทำไมจึงมันนี่ก็เพราะเหตุว่ามันมีอยู่ในตัวแล้วเพราะในปฐมอาการเป็นดอกบอัวตูมท่านทั้งหลายที่บวชในปฐมอาการนั่นเป็นดอกบอัวตูมทั้งนั้นแต่ก็มีไตเสียขาอยู่ในตัวแล้วอัตถังชิโกมัคโคสยยังทิถังสมาธิติลังอยู่ในธรรมจักกะปวัตนะสูตรก็บริบูรณ์ลแล้วทีนี้ผู้ให้ดูได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือพระกนทันยะพระกนทันะเห็นอะไรจึงได้ดวงตาเห็นธรรม ก็เห็นอันนี้จังชัดยังจิงจีสมุทยะธรรมังสัรพพันตังนิโรธธรรมมันติเห็นอันนี้จังชัดเห็นทั้งความเกิดขึ้นและแปลปวงในะระดับไปด้วยคร้องกับลมเข้าลมออกที่นี่ก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเป็นตัวศีลอยู่ในที่นั้นเป็นตัวสมาธิอยู่ในที่นั้นเป็นตัวปัญญาอยู่ในที่นั้นแล้วเห็นอันนี้จังขณะจิตหนึ่งก็เห็นรอกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเพราโลกเต็มไปด้วยอันนี้จัง เห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโรกรอบหนึ่งนะเพราะโลกจะไปด้วยทุกเห็นอนัตตาขณะคิดหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีแต่ดินน้ำไฟลมมีแต่สังขารและกองทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้เมื่อเห็นโลกจะไปด้วยกองทุกอยู่ ใต้อนาคของไทรักแล้วความทะเยอทยานในโลกทางปวงมันก็เบาลงถึงจะมีเิเลตมากก็ตามมันก็เบาลงถ้าพิจารณาอยู่เนืองๆไม่มีกลางวันกลางคืนก็จะนายความหลงของตนก็จะพ้นจากความหลงของตนไปก็จะข้ามทะเลหลงไปซักทีนี้พูดไปมากมันก็มากมากซักเพียงไหนก็ตามท่านให้หาลงมาในปัจจุบันคํวาว่าวิหารก็ ห, หาลงมาในปัจจุบัน ขำว่าวโหหอก็เหมือนกันารหารลงมาในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเล ย, เเเ ย, ย, ยทีนี้เอาแล้วมาเอาหยุดแมาหยุดยังไงต่างนะไม่มีพาสิตธ์จะมีพาสิทธ์ยังไงก็กายพาสิทธ์ว่ ก, กีพาสิตมโนภาสิทธ์ผู้ฟังก็เอากายฟังก็คือมโนพาสิทธ ผู้ปารก็เอาใจปารก็คือมโนพาสิทแล้วพระสูตรก็สูตรของกายวายกายไกพระปรมัตก็มัดเข้าที่กายวายกายไกนี่ว่าเป็นสามว่าเป็นสองก็กายครับใจว่าเป็นทุกการนิวรัว่าเป็นเอกการนิวรัตก็คือใจมโนพุพังธมาธรรมมโนเสด็จท่ามโนมายาธรรมท้งหลายมีใจเป็นใหญ่จะมากก็มากออกไปจากใจจะน้อยก็น้อยลงมาหาใจดีก็เหมือนกันทําดีก็เหมือนกันทําชั่วก็เหมือนกันทําดีมากก็มากออกไปจากใจทําชั่วมากก็มากออกจากใจ ผู้ใดเป็นผู้ใดรับผลของความดีก็คือใจเท่านั้นทำดีก็ไปฉลองใจทำชั่วก็ไปฉลองใจทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นหัวหน้าเขานั่นกาใดใครก่อก็ใจเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ใช่พระผู้เปนเจ้าเรียนฟ้าอากาศก่อขึ้นพระบรมศาสธาก็บอกว่า อริยธรรมเคิโตันัรอริยธรรมคือทำในประเสริฐก็อยู่ที่นอนและชนนั่นเองหิวนอนก็นอนเองหิวน้ําก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราตถาคตเป็นเพียงเชื่อบอกเท่านั้นถ้าพวกเธอไม่มีอยู่ในเธอเราก็ไม่สามารถจะ บ, บอกพวกเธอได้ชั้นกายวายจายใจของพวกเธอไม่เป็นว่าไม้เสียใจคิดมนต์เราจึงบอกพวกเธอได้เอาของพวกเธอให้พวกเธอใช่ ให้พวกเธอรู้จักใช่ของพวกเธอมีบริบูรณ์แล้วมนุษย์ก็มีวริบูรณ์แล้วไม่เป็นคนว่าว่าเสียกิตผิดมนุษย์คนว่าไหวเสียจิตผิดมนุษย์แต่ฐาคตก็ไม่ได้บอกเพราะไม่สามารถเข้าใจได้เหตุฉะนั้นเรามีสิทธเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะทําดีตามฐานะของเราไม่ใช่ว่าจะไกถึงทางทั่วเรามีสิทธิ์ทำดีได้ตามสติกําลังของเราใจถึงในทางดี คนเราใจถึงทุกคนแต่ใจถึงในทางดีก็มีใจถึงในทางชั่วก็นีคนเรามีอิสระเหมือนกันมีอิสระทําดีมีอิสระทําชั่วมะเรงวันมีอิสระทางกินงูดพูดมะเร็งพึ่งมีอิสระทางกินเจสอนดอกไมเกกไเ้เขาก็บอกว่าประชาธิปไตยเขาเขาบอกว่าโรคพาเป็นใช่ไหมเออเหนื่อยแล้วเว้ยคํ <c oughs> าให้พูดว่า ด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามายังประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านโพลและไม่รู้ว่าเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่อนหน้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวบและพุทธศาสนาของพระสมมาพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งเกินไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่อนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอเอาละเทีพูดไปมากต่อมากทาแค่ไม่มีเอวังดอก ความตายก็แขวนคออยู่ไม่มีเอวังนักเทศมันมีมากแล้วความแก่ความเก็บความตายไม่ลงธรรมาตแต่นักฟังนักปฏิบัติมันหายากใช่ไหมนักเทศไม่อดเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่าไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนส่วนผู้จะพิจารณาตามจริงปฏิบัติตามมันจริงลดทุนตามจริงนั่นเป็นของหายากทำทั้งหลายมีอยู่หมดแล้ว ไม่ลงธรรมะเลยคล้ายๆกับว่าพระบรมสาราเทศอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนมาเถิดลูกหลานเ อ, อ๋ยลูกหลานเ อ, อ๋ยมาเถิดมาเถิดคล้ายๆกับพูดอย่างนั้นแหละพระบรมสาราเปรยเน่าในสกลกายก็ไม่ลงธรรมะนั่นไม่มีเอวังเลยไม่ถามเอาสตางกับใครเลยไม่ถามเอาอาวุกับใครเลเทิดอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนผู้จะฟังมีหรือไม่นะผู้ที่จะพิจารณาตามปจริงมีหรือไม่ ถ้ามีก็เรียกก็ปฏิบัติถ้าไม่มีก็ลานเปล่าใช่ไหมนะเราเอาเป็นสองกันสามกันอะไได้ล่ะอเนี่ยมีแต่คนหูสู ง, สงตัวไหนเนี่ยมากเนี่ยว่ามันเอาไวา้เชียองพวกมากจนทีแตกมันบ่แน่นบ่มีแต่คนปฏิบัติสูงสูงมากว่ามันเอาไว้เชียองพวกมากจนทีแตกมันบ่ เป็นยังเข้าจังอาบน้ามันสกโปกเข้าจังอาบน้าเป็นยังเข้าจังปฏิบัติศิลธรรมเพราะเจ็ดใจมันสกโปกบ่มีเนว่ยสม่าล่างมันคือว่เอาศิลธรรมพระองค์เจ้ามาล่างนั่นพระยกรายพระสวราบันยัตติถิมคุณมงพระธรรมประสงค์เนอะย่าจะถือว่าศาสตราอื่นดียิ่งความมงคลพระธรรมพระสงค์ยาสุเสดายดวงระเบิดเสียนหายาเสดายเล่นอบ า, ายละมุกเนอะ พระค้นพรเพราะว่ากูก็ได้คือกานลาพระโสดาวันเพราะเพราะว่าเพิ่นนึกไม่ใส่เพิ่นเสีได้ตายยังไปเขาไปในวัดนั่นว่านะฮะผูกกอติเลกมันก็จะพระโสดาโสดาวันรอกลูค้ากันนี่เนี่ยงั้นหรอแต่ผู้แทนว่าเป็นเรงสั้นกับว่าเป็นเองดอกคันผู้เป็นว่เป็นเรงสั้นกับยาไปเครียดผู้เป็นเรงสั้นกับยาไปเครียดกลับไหมคันผู้คาเป็นเ่องสั้นผู้ากต่ทีน่เครียดว่าให้จะของเนี่ยได้จะของด้วยเนี่ย ว่าไปว่าเราหายพืในได้บอกได้เจ้าของหายโมอย่างงี้ยได้ยังเข้าใจบ่มาสั่งมันว่าไม่ขอวัดคนบ่มีขอวัดคือคนมาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล้วได้บุญเยอะเสมอเนี่ยคนถึงพระพุทธศาสนาอาลลบของเขาอันนักไปทั้งบุญเนี่ยคนว่าถือพระพุทธศาสนาได้บาปหลายก็ได้บุญคนถือพุทธศาสนาได้บุญหลายก็ได้บาปอืเพราะอาลลบของเขาไปเนทั้งบุญเนี่ย บอกของฉันว่านี่ขัางนอกภาริกกัสามกันที่กันคารวะอะไรได้หรอตัวเปียนหรือเพราะนี้ย้ไรื่ถึงตายภาพาาาาไปไปพกนั้นเรื่งหนุ่มงงรานซุมเขาสารคารวะไปกินเใจเข้าหมดไปถึงวดก้งคเข้าไปเป็นลูกเป็นเจ้าเข้าหมดตายไปขอปี่สันที่นําขอเขาเพราะนี้ ถึงเขาเลยถึง้าอง์่ hm นบวชนถึงเฝ้าองนี a ้บวนี a ้ผมไม่ได้สายงานคณะนั R ่นจิตงมหายใจท่าะไดถึงต้องไปเกิดในเทวโลกโุกเโลกคนเดียวหลวงสันเอาหลงเมื่อคนทุกเป็นพระรหานใครนี่แก้มันเสียเปียกที่เนีะย ราบังอภาระังกามตุโนภันเตเรเมาเนนรวาทกตราอภาระังมตุโนภันเตเเามาเนนวกตราอภาระังมตุโนภันเต หลอกงกออกมันจะเป็นสีอยงไหลอกนักออกมันจะเป็นสีองไรนะฮะกระดูกมันสีอ่งไรโคมงยโยบนญีสระถ้าฝ่ายสวยๆคือขั้นชั้นต้นๆกลางฟังลองฝ่ายในหัว ทเท้าเม็ดเท้าเม็ดไข่เท้านี่ล่ะคนมีตามสกุลนาร่างกายเหม็นลอยแต่เล็บแต่ปันต่างแต่ปลาเท่าทางไตเสียตลอดถึงสะวนะันนักสะวันเบาตลอดเป็นคนดักแหล่คนหนวดคนหนั ว, นหนวดัง ใ่เพะว่ามันเกิดอยู่ในหยาห า, า, ม, า, า ม, มันนี้มีสิ่ว่าส่ควายกพบครมมมมันจะงามออกมาคนชิแ่แฉกันเนื้อมันออกอายายคนปากก็คือกันคนข้างคือกันเพมันทุ่มเลยละลาย <c oughs> เล็กติดยี่ทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ักษณะเป็นจังไรถ้ายยายก็เกจปลา ว่าก็มีทางข้างบนทางล่างมันเป็นไ ข, ข่ายกับกระดูกแล้วห้อยช้งแล้วฟังด้วยในเหงือจมอยู่ในหมุดในขวดข้างบนก็มี14ซีสีข้างล่างก็มี14ดซีสีลูกเป็นดี18 กินและรล่ะขณะของควันแม่ที่หลางดีปันได้เป็ น, นเน้นยู่เพราะซมย่อยเดือด เ, ล, อเลือดน้ำน้องนั่งกระห่มยู่ทั่วทั้งกายเนื้อทัดนั้งเข้าไปเป็นชิ้นๆพอกกระดูกไหวมัด น, นัองดินท่าฟ้าเอ็นถูกพันรัดเรื่องในสะโพกรรดัดกระดูกยู่ เหมือนเขาเอาเครื่อมามาตื้นเนื้อแน่กระดูกนี่ลักษณะเหมือนกับหยอดไว้ที่เขาใส่ไว้ในกระบอกหยอดไว้อ่อนๆมากต่ำที่ข้างใต้หัื่ใจ เงินบกมวงสอง่วยซึ่งเป็นแท่งเดียวกันหันวใจจะขายดอกบอัวตูมจำยศทางกา่าออกกลางอกเมฆเปืือนด้วยหมุด ด, ด้วยขูดด้วยน้ำเลือดน้ำน้องธารพัดไม่กินไม่สีเป็นกระธิ์กุลจับ นุ่งขาว้หัวใจนี่เป็นแผ่นเนือ้อสองแผน่นดำๆคือจังลิ่นโค่ดำนี่แหละผู้มีปัญญาตับเป็นสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างปอดพวกคุมม่ามหัวใจและตับโยช่งเพ่ใส่ไง ขามยุพ่อหอยขางนุ้ยุทธวันนักเดี๋ยวนีขับใส่โยนี่กินมีสีเมนในแน่นใส่ก็ดีหนอกใส่กด็ดีไม่ปุุยเม่ดข้าวใส่หนอกใส่น้อยมันรับเนียวใส่งไงไว้ที่ทบไปทบมา ใส่ไงนี่ยูยี S, ่สิบเอ็คตทบไหวทบมากน้อยน้อยเนี่เอาลัดไหวอาหารหม่กินลงไปอยูใ่ในกระเพาะในลำไส้ที่ประหันได้ย่อยเหมือนใกล้ๆทีย่อยมากกับเหมืนอนยางโสร้า ง, ปงเป็นหมวกตัวเมื่อย่อยออกว่าแล้วกันออกมาช่ออางตาก็ว่าขี้ตาออกว่าชางหูก็ว่ า, า, ออ า, หวา้หู ออกมาสร้างกฎกว่าพุทระออกมาสร้างสว่านเบาก็ว่าปัสสาวะออกมาคุ้มโบ้คุ้มพลก็ว่าเมื่อว่าไข่ที่ไฟที่ไฟถาา่านฟอสเฟอแล้วเดี๋ยวมีกินมีสีอัน่ดี มนนีกินเน้นกินข้าวนะาไงบริโภคละจะเพืียก็มีมกระเว้นกระคืนที่เราได้กระต่ากระดามแล้วผลรากายอันนี้อาหารเกา่าเรียกว่าอาหารนอนท่องที่ไทยว่ามืดก็ผลก็หมุดก็ขูดอยู่กับอาหารใหม่ที่ย่อยลงไป ท, ง ท, ท, ท, งที่กําลังสี่ย่อยพิเศษที่ข้างก็ผูกก็มัดเป็นก้อนก็มี เราชอบเป็นโลขั้นระดึกเนี้ยวเป็นจังเม่มแล้วทายออกมาก็รเรียวกว่าอาหารเก่าอาหารนวลทองก็เรียวกว่าอาหารเก่านี่มันทายบวดมันเป็นเศษอยู่นี่นายกลังใส่ไม่ได้ถือหลางจค่เพื่อละไม่ใา่สิล้วก็แตงคนหน่อยหลางจค่เพื่อล้วเขเกิดมานี่ยคำว่าสัญญาทายว่าจะกั สันเทลงไปเฉยๆวันทีู่วบนิีม่สบู่เข้าไปทูในหันกินของมันที่เม้นปอนในว่าเม้นนี่ผมมีกระเว้นคลื่นในสกลนาฬกายอันนี้เป็นใจเพียงว่าเอาพี่จหน้ากายไปกับกพายุเฉยๆก็ไปจิ น, น, นมกันอนเสาของเม้นอยู่นอนเสาข้างกระดูกลูนี่เรียกว่าถาดดิน เเป็นของแข็งมีน้มทั้งหลายซึ่งอยู่น้าเลือดน้ำน้องซึมอยู่พวกนี้จัดเขาในธาต ด, ดินธาตน้ำน้ำดีมันฟังยุต่ตับคอยจำก้อยนี่ลหละมีสีเขียว ที่บอ่อฟังยี่แต่ตซับนั้นซึมสาบยี่ในทั่วสกะกหน่างกายของเ้าเป็นไงจะพมข้นและควันอันจนของแฉงเสียน้ำเสลั้างตุ่นโงนกยู่ข้อหอยเมื่อเขาเกินอาหารลงไปกับแปลงน้ำเสลแล้วก็จมไปลงุงไปยุ่ในกระเพาะเป็นคำคำ่ำบ่มีนา้ำเสลกันความปวยคนนาวามเน่าควาเมีนม่ไหวเนี่วากันกับเมนพึ่งพึงไปตัวทิพนั่นะ ก็กระทังกระชังยู่ไรก็เพราะน้ำเสรี่มันขังรูอาหารคืนไปแต่ละค่ำก็จมปักลงไปปิดไหลลดน้ำคือกันจิ้มฉันหวานสันยาคือกันกูนค่าใหญ่ก็แหวกลงใหญ่กินค่าน้อยกวแวกลงน้อยก็แหวกลงวิดแต่ละค่ำละค่ำเนี่ยก็ปิดปักปิดปักปิดปักก็คือกวดจอกไงขังก็เป็นมกมวกมีกินมีชีเม็ดสาบแมนข้าว น้ำน้องี่นี่มันเกิดนี่ยน้ำบาดน้ำแพสมวนเป็นกุยเม็ดข้าวม่นนี้บาดไม่แพ้มาเลือดเลือดที่เป็นก้อนอย่อยๆในกระังง่วนหัวหม้อหัวใจทับปอดอยู่ไหลซึมสาบลงไปในหัวใจในทับในปอดที่เล็กและหน่อยเลือดสงก้อนอย่อยนี่ เหมือ น, นน้ำค้งนนะางอันแดงๆน่ะดั้งยู่ทวมหน้าหมามหัวใจทับปอดดูปอนเลือดปอนใหญ่ที่ซึ่งทาบอยู่ในสกลนักายก็ค่ายๆกับน้ำค้างกังจางหรือไม่ใช่ผมขนเล็บป้อนอันนั้นเป็นของแข็งเสียมันจมเซื่อมมาได้ น้ำเลือดมีสองชนิดเลือดขนเลือดเล็วน้ำเมือก็ออกมาจากคุ้มผมคุ้ม้นในเวลา ห, าหอบหอรือฐานวิการใสๆเหมือนดังหน่ำมันงง่า จะมีกินเห ม, ม็นสาบเีม็นกุ้ยนามั่นคนนี่นําฟ้าเท่าล้างมือล้างเท่าจะโยนในจะงไอบ่บลาฟ้ามือล้างเท่าเปี่ยวมันนักมันอยู่ในอ่อนําลายที่เกิดนําลายโย่ไตริน ไหลออกมาแล้วอยู่ในกระปุกแกมทั้งสองน้ำมูกที่ตัง้งรูมันยุดในกระมองสิไหลต้องออกมาออกจากทั้งจมูกทั้งหน้าจิตอย่างนุงย่ยนุ่ยผมนี่เป็นไซสกว่า น, นี้น้ำไข้ค อ, อยืดสามคอต่อกระดูกําำรับเลี้ยงกระดูกไขเลือด ไม่กินมีซีไม่สมาบเป็นข้าคือการเมดนำมูกอยู่ในกระเพาะปัสสาวะวันใดมันมันสะาดบันใดมันมันสวยมันงามนั่นกับผมนั่นกระขนนั่นกระเล็บนั่นกระนังคำว่านั่นนี่จับบนมันมีหนังโหลดคำว่านั่นนั่นหนังยึดเส้ต้องนั่นบระธน ว่าผมกับยึดจับผมโหลดนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็กนั่นก็คนนั่นก็นังนั่นก็เหนือนั่นก็กระดูกนั่นก็อยู่ในกระดูกนั่นก็มาลั่นก็หัวใจนั่นก็ทับนั่นก็ปอดนั่นก็ใส่ใหญ่นั่นก็ใส่น้อยนั่นก็อาหารไม่นั่นก็อาหารเกาคาว่านั่นบนใดยึดเพ่งใส่บมันอยู่โหลดบงลักษณะมันโหลด กรงมากกำหนดรักไคร่กายนี่ว่าสวยว่างามเอาเป็นนักหนาถามมาังชัดนี่จัดเป็นถัดหน้ามซึมสาบอยู่ในดินึมสาบอยู่เลยของเม้นของเงาพองสกปกตัวมมนี่กำหนดก็เป็นถักหน้าดินก็ว่าแด้วน้าก็ว่าแล้ เนี่ยธาตุดินออกตไะไายสักองหอาานึ่งชาหนึ่งอมาสมดเอาตวยพี่น้าป้าแล้่มัาเหยียบตะวยพี่ซะไหวเท่าหร่อยที่ยางการให้อ บ, อ, บอุ่นไอยที่อางการให้ชุดโซ่ไหที่ยางการให้ต้ตะวายไหวที่เอาเขาอาหารหยอย นี่กันเนี่ยเมื่อวานมีซ่าให้ร่มพักคุนบนบนคือร่มหาร่มอวร่มทำร่มบงตังคูอร่มตดร่มฉี่ร่มนาพ่อร่มแม่ใส่ร่มพักไปตามตัว ล้มหายใจเขาลมหายใจ อ, อกจับเป็นกองล้มใช่ไหมงายาคิดตลาดมาอย่ี้ใช่ไหงายคิดตลาดด้วยบนนอลเทนซีแพงหนีแพงหนีแพงนึงเนี่ยนอนืมด้วยเทนซีแพงง่ายคิดตลาดมานึ่งเบิ้งอย่างงี้แต่ว่าง่ยออกแล้ว อันว่าล่าว่าเขาวาราบุคนนมันมีสนยงี้งี้ออกแล้วนั่นก็ดินนั่นก็นาบมันวิ่นนันนาบมันก็ไหวมี้กระล่มเนี่ยออกแล้วทันกระจายออกแล้วเพื่อนที่ซ้านคือกระดิ่งถ้าค้างกระดิ่งถ้าอันนี้ก็ะดออกก็อันนี้ว่าเพื่อนรากุตีกต่ว่าไม่ได้จะ่าจำนัดรับไขว่าเล่าว่าเขาวาซาบุคล เราประเดี๋ยวแค่แั่คิดกระนาดแค่คิดกรนาดจ้องดูตัวหันดินจัดล่งเปดินน้ำชันล่องเป็นน้าไข่ชันล่งเป็นไ่ล่องชล่งเป็นล่มที่นี่ต้นทั้ขั้นว่าครับทุกนตัเลหายไปโซผู้โซข้าวแต่วังมีอันนี้สงหลายอยู่ พระพุทธเจาสอนไวแล้วยึดทีร่วมจริงๆหรือดาร่วมจริงก็ตามเพราะให้มันแยกค่ายเพราะาหน้าเพื่อติดเพื่อแฉมันดูมันนยเนี่ยวันข้ารหน้าเพื่อจิต้ อ, ตองต่างๆดร่ว ม, มนีคือยิดทีร่วมดลร่วมต่มางๆที่จหน้านสงหรือหักมันเห็นอะไรชัดงั้นตกลง ก, กายกายเท่นอ น, นั่งนั่งชัดไปเองมันหรอก ชวนนิมิตน่อยมันจะมาเป็นแขนเหลือแ้นล่าแขนที่ไหนจะตามคิดไปเพราะท้อเฮือดเหลืออากาศจะไหนจะตามอาจะไปนังมาช่างนั่มนอนลงทรายของบะมันวัดเทียงถัดอีกจะตกของบะมันวัเทียงถาดหน้าของบมันวัเทียงถัดใต้ของบะมันวัเทียงถาดล้มกของบะหมันวัเทียงแง่้าหน้าข้นสวยอารมณ์สุดขบอเบ็ดขาเปิของบะหมันวัดเทียงเปิดไปแง่ใจกวนแก่สลายน้ำกันมด ลมแรงชัดลมแรงดุข้นต้นนี้ยังศิมาลงตะลัเรบเบเรเกิดลาสมาลงดินเบได้เกิดวาสมาลงน้ำเบด้วาสีมาลงป้ายเบเรวาสิมาลงล้มเไดรวาสิมาลงเวทนาเบด้วาสิเกิดมาลงสันญน้าขุ่มจับเบ่าสิเกิดมาลงสันฐานขุ่มปุ่มแดงทางคิดเบ่รวาสิเกิดมาลงดินญ้าซึ่งมันเจอถึงเน่ยแส่คล้ามแส้ทาน้าจะเป็นหัสร้างยังมีขนออกสดแสงสว่างหรือ้องเฮือนเดือดอากาถึงแห้งตายร้ายล่ะ ท เ, เ ท, ที่ยวบุ่ยดัดตามเสียงเท็ขิ่มขก้มกระจาดเสียงนี้เห็นมาเห็นเพชรเห็นใจเห็นแก้วเลียงเชิญอันนกอะ้รจะตามซึ่งเราน่ะจะลดลงง่วยของบหมันวัเี่ยงพุงทสารวัดสุนทเ้อแจกสลาย <st ut ters> สังเวช้าหน้าแบบนี้ว่เป็นบาทท้าสต่ข้าวหน้าแบบอื่นน่ะต้องเด่แต่มาบอกว่าฟังนะคับข้าหน้าแบบอื่นว่าเขา บ, บ่เห็นทีน่บบตัว้าห น, น, น้าแบบนี้แต่วาเป็นบ้าอะไม่จิตจะเกวจังเลดีดที่นายท่าย่ำในวัด้สงส <c oughs> พวกเรียนกายพระไรปประมาณกายคตาสติเดียกว่าเพื่อนประมาณพระนิพานพระพุทธเจ้านะกายคตาสตินี่นี่แต่ในสัตว์นะพระพุทธเจ้าทิ้งเดียวเป็นสการกสังารเป็นสกปรกวิญญาณลมพันลมในบุพพนิสุทธแต่แต่ควรจะขลาย เน็ตกาซ น, นบนขึนลาบ้นอยาหน้าไพ่เมาบ้นสืมุมี่บา น, นยึดบวัถือหังอะไรอ่าู้รู้เนี่ยอดีตกับจีบายึดถือคู่รู้เนี่ยอนาคตกับบายึดถือูรู้เนี่ปัจจุบันก็บจว่างสิ่ปลอยก็ตามสภาพของสังขารเท่างหร่ที่าไปกีบไปป่นเอาจีอวนบูซาคณนี้านรถเนี่ยบางคนคนนี้ผานจมาบูซา ทุ mind, like ่งนี้จวบูชาพะพานวัดเี่จาหน้าบูชานิพพานการเป็นจริงทุ่งทอันก็เกิดว่ดดับทุนี้เป็นไฟท่ำโล่ไฟทําดับเรื่องไฟท่ำโผล่ทำดับพรนน้บาสท่ำานวัดมาหลงผองนี่ผองนี้หลงจับของก็อจิตหลงจิตท่าหลงท่ำก็คือพระน้านวัดเลยมาหม้อม้หลงวัเลยมาจีบม้อปนเนี่ยยิ้ม ออกจากท้องผมเนี่ยท่านี้ผ้าเป็นเครื่องดึงดูดเป็นแม่เล็บดึงดูดในโลกตึนตึนดูดทาตัวในช้นางขานทางงร้านตึงดูด่าตัวในพ่อล้ทางงร้านตึงดูดทาตัวเป็นแม่เล็บดึงดูดท่านี้ผ้าเป็นแม่เล็บดึงดูดที่สุดกจากเเพราะอยู่สูงกักวผอมหนี้เนี่ย สูงก็หมายความาจะตีปัญญาสูงความใจสูงคิดสูงใจสูงท่านสูงสูงก็กลมหลงกุญจจกเร่องวุฒเทวดาไม่ใไม่ได้มาเทใสกันไม่อยากคิดตราดก็ไปเทววุเทวดามาเทใส่ กิจย่อมเป็นที่เฟื่องของกิจเดียเอาดินหนาฝ้ายลงมาเป็นที่เฟื่องกระเพิ่มเมื่อนรฝนไดพปั้นน้ำเหนือกรดูจังหวะมาเล้วนี่กิจต้องเป็นที่เฟื่องของกิจการกิจก็เป็นที่เฟื่องของกิจเสียได้เป็นที่เพื่องของกิตผนิพัาน์ก็เป็นที่เพื่องของผนิพันเออธรรมก็เป็นที่เฟื่องของถรําอันว่ตายอร่างนี้ผ่าน ความลภข่หลงในส ก, นกุลนกายนี่เทไรจิตุงเทล่งที่จะนะขามหลงในสกุลในัยใจว่าเป็นทัศเป็นบุคคลเป็นนอเป็นเขานี่จะได้ติตุนเทลงทําลายออกข่มหลงในภูรูว่าทัศว่าบุคคลว่าเล่าว่าเขาโดยจริงจังที่สมุดโลกใส่อยู่นีนติดโยแกยบอะไรคลายบ่ออกจุกงเทล่งแต่มันรู้ตามเป็นจริง เขาบอกโลกกับิตวิยโลกเขาบอกอันไหนกับจิติิตยงไงอันไหสิเาเน่ยเ่ขาบอเขาโดยบุคัลข้อบอกน้ำซื่อที่คิดใจน้วัติบอกนำอดีตนำอนาคตนำปัจจุบันนำมีมีหม่อยก็ดีจิตดูยังไมันโเป็นสตวมันเป็นบุคคลจากเน้ามีแต่ของม่ใต่อำนาจอางจังพวกพังอำนาจอมพวกที่เกากที่หลยันวะเราสังขารตามเป็นจริงทองสังขารเนาะวัติที่ในสังขารคนวา เราหลูดพณิิพาตามเป็นจริงของพันิพานเราตฏิเสธในพันิพิณภาวนาเราคิดยังในพันิพานเสียียกว่าเราบรรลุพันิพาณภาวนาเราคิดยั่ในสังขารเสียดียกว่าเราบรรลุสังขารเราหลุอดีตามเป็นจริงของอดีตเราหลุอนาคตจำเป็นจริงของอนาคตเราหลุดสัพพะหลุดทั้งพวงเข้าก็บหลุดจำเป็นจริงของสัพพะหลุดจะเราปฏิทิดอยู่ในทิงขันเราจึงมุ่มีพิดิมิสงในคิดในใจของเรา เราบ่มีพิดในสูงเนี่คิดในแก่ของเราวงของเราวิญญาณปฏิสันติของเราจึงมาไปติดเทวันใดวิญญานปฏิสันติของเรามาไปติดเทวันใดแล้วเราจึงยากเข้าสู่พระนิพพานโดยง่ายนะบ่มีโรคโรคมันบ่มีโรคนะโรคบ่มีหรอเออมันบ่มีเงาบ่มีเงา แค่นี้ผานมันมันเป็นเงามันมีเงามันมีเงาที่เอาไหนมาเทียบมันกับอะไรง่ายโลกมันจะเทียบถ้าเราไปเทียบมันกับเท้าเอาขีนเฮาไปเทียบเมันเทียบข้าไปเทียบเค็ดเทียบห้อยมันมันเทียบไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกไปเทียบเทียบไม่ได้เป็นเชี่ยเปี้ยนมาซำเหนียบก็นไม้ชื่ออืม พอพระท่อสั้นนี่กระท่มสั้นที่โกรจัเช็นเองเท่านั้บพอมันโลกมันเหื่อราสาก์ล้วมันอินมันหนักมันไฟมันร่มท่านี้พลาดมนเปนบอลไฟมันเป็นบนลหม่ามันนอลตั้งยู่บนเม็นบเกิดมันเปนบอดับไม่ได้เกิดบ่ได้ดับเข้ามาสมบูวานิพานธกลัมังศูนยย่างศูนจากสัจมุคนศูนจากโลกโกรดงซื่อ นพานั่งอั่งทุกครั้งนังก็บไม้ข้อมันมัมีโรคบัมีโรคมีปวดมีหลงเลยกเป็นทุกขทุกอันนั้นมันไม่ทุกขที่ห้องกินห้องฉี่้องนังห้อนอนเป็นโรคอันละเอียดโรคของภายในผ้าโรคอันบันมีโรคมีปวดมีหลงโรคที่มีโรคมีปวดมีหลงเื่อนี่มเป็นโรคอันหยาบในจิศแฉบนั่รับแล้วว่าทุกข์ไม่เป็นโรคอันหยาบ